ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเชื่ออย่างพุทธหลุดพ้นผีโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่24สิ่งหาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ข อ, ขอโอกาสพันเตและบูเดยวยครับอจเจริญธรรมพวกเราทุกคนเนะมื่อประมาณอาทิตย์กว่ามาแล้วธรรมาก็เดินทางไปประชุมพวกเราที่ต่างจังหวัดก็พอดีผ่านไปที่บ้านของญาติธรรมคนหนึ่งนะก็พอดีเข้าแวะลงไปเอาของธรรมาก็เลยแวะไปเข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่าพอเข้าไป ก็เห็นญาติธรรมซึ่งในความรู้สึกเนี่ยญาติธรรมคนนี้ก็โอ้มาวัดนานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เยอะมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดมีความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงเนี่ยก็มากละแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในบ้านโอโหเจอทั้งไซอะไรนะไอ้ที่เาเรียกว่าไซอะไใ ช, ใช่ไหม งงใส่ดักเงิ น, นโอ้ก็ห้อยไว้ก็มีอ่าไอท้ที่ในบ้านจะมีอะไรอ่ะแบบไหว้เจ้านะเขาก็คงเป็นแบบเชื้อจีนไหว้เจ้าไหว้อะไรต่ออะไรก็มีนะคือคือพูดง่ายๆยังมีความเชื่อเรื่องของเนี่ยนะเทพเรื่องของเจ้าเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งเอาละไอ้เรื่องความเชื่อต่างๆ ของแต่ละศาสนานี่ก็ห้ามกันยากแต่ในเมื่อเป็นชาวพุทธในเมื่อเป็นนับถือในศาสนาพุทธแล้วอาตมาว่าก็ไหนๆเป็นชาวพุทธแล้วก็หน้าที่จะเป็นพุทธแ ท, แท้นะไม่ใช่พุทธที่อะไรอ่ะเรือยๆเรือนๆหรือว่าเราก็เพี้ยนไปเลยโดยที่นึกว่าอย่างนี้ก็ทำได้นะซึ่งปรากฏว่า ญาติธรรมคนเนี้นะจริงจริงก็ได้พบอาจมาอาจามาก็เคยพูดเคยบอกเคยอะไรต่างๆให้ฟังแต่เห็นว่าพอเวลาคนเราเนี่ยเวลามีทุกข์เข้ามามีปัญหาเข้ามาคือเชื้อเก่าอ่ะเชื้อเก่าของคนเราเนี่ยคือจะเชื่อในเรื่องพวกนี้นะว่าเชื่อหมอดูบัางเชื่อคําทํานายไทยทักเชื่อเรื่องอะไรอะเทวานิยมอะเชื่อในเรื่องเจ้าเรื่องอะไรอะ ความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องทํานองพวกเนี้คือคือมันฝังหัวมาเยอะฝังหัวมานานอยากจะเห็นเลยว่าเนี่ยพอมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรเพียนแค่บางทีค้าขายตกคือร้านเข้าขายของมีอาชีพขายของว่าขายตกเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ใจไม่ค่อยดีเพรพอใจไม่ค่อยดีเอาละเริ่มไปหาพวกเจ้าไปที่ไหนใครเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือใครเขาบอกว่า มีชื่อนะให้ให้แม่นให้ตรงอะไรพวกนี้เอาละจะไปละมาเจอมามาหลายคนแล้วนะที่เป็นญาติธรรมแล้วยังยังยังมีหัวปักอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทำให้อดไม่ได้นึกถึงนึกถึงตัวเองคือพอมาบวชเนี่ยเวลาแต่ก่อนนั้นช่วงบวชใหม่ๆนะยังไม่ช่วงบวนะงชวบวที่ยังไม่ถึงสิบพรรษาเนี่ย ช่วงนั้นยังไม่มีภาระหน้าที่อะไรมากก็ปรากฏว่าจะหาโอกาสออกไปจาริกอยู่บ่อยๆไปจาริกที่ไหนก็ตามลองได้ปรกกฏได้พักอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะเห็นละอ้าวมีพระเนี่ยใส่ชุดเข็มเข็มมังนะม่งไว้คิวมั่งเอา้ามาปรกกฏมัง่ง ยิ่งเห็นเข้มๆนี่นะเขาจะมีความรู้สึกโอ้ขลังขลังจริงๆนะเขารู้สึกเหมือนพระป่าเนี่ยก็จะรู้สึกมันอย่างนี้นนั่นแหละไปปากฏที่ไหนก็ตามปรากฏว่าเดี๋ยวเริ่มทยอยมาแล้วพอเรื่องหัวค่าหัวค่ำนะเริ่มจะมามาเสร็จแล้วหนีไม่พ้นหรอกสองสาอย่างที่จะเข้ามาคุยด้วยก็ตอนแรกก็อาจจะทักทายถามว่าท่านมาจากที่ไหนอะไรยังไงต่างๆ น่าจะถามอันนั้นเป็นอา ร, รัมพบทหรือเขาเรียกว่าเกินนำมาก่อนเพราะเกินนำได้ที่สักหน่อยแล้วคราวนี้แหละของจริงเริ่มจะตามมาของจริงอย่างแรกก็คื อ, อผมเนี่ยช่วงนี้อะไรๆก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีผมเนี่ยจนมากเลยหลวงพ่อช่วยทำให้ผมเนี่ยรวยได้ไหม อันนี้เป็นอย่างแรกเลยไม่ว่าไปที่ไหนจะเจออันเนี้ยอันดับหนึ่งหมายถึงว่าถ้าทำสติติแล้วนะอันนี้จะเป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องว่าจะทำยังไงให้รวยถ้าเราคืออย่างสมณะอโุกเราเนี่ยเราก็ไม่เน้นอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้เพราะจริงๆเราเราถือว่าจริงๆการมีชีวิตอยู่เรียบง่ายทำมาหากินที่สุจริต แล้วแล้วก็มีเงินทองพอที่เราจะมีอยู่มีกินไปได้แล้วเราก็ทำความดีไปนี่อันนี้มันจะดีกว่ามันจะสุขสบายกว่าในชีวิตแทนที่จะไปโลภมากหรือว่าไปหวังร่ำรวยแล้วก็พยายามที่จะโอ้โหนะบางทีแก่งแย่งหรือว่าจะต้องไปเอารัดเอาเปรียบต้องไปแข่งขันมันมันยุ่งยากแล้วมันก็ลาบากแล้วเพอเพก็ต้องไปทุจริตต้องไปอะไรต่าง ซึ่งอันนั้นเราก็ไม่สนับสนุนส่วนใหญ่เราก็จะเน้นพูดอ่ะนะทาอยากจะให้รวยก็อ้าวอย่างนี้อย่างนี้่งี้ก็สอนไปให้รู้จักประหยัดให้รู้จักกินน้อยใช้น้อยให้รู้จักที่จะอะไรอ่ะขยันมีสมรรถภาพในการทำงานนะแล้วก็ไม่ต้องไปหวังโลภเงินทองอะไรนะักชีวิตก็จะเป็นสุขแต่พูดอย่างเี้ยไม่เป็นที่พอใจหรอก ของของของคนฟังเพราะคนฟังเนี่ยตั้งเป้ามาอย่างเดียวคือว่าขอให้ได้เงินเยอะๆมันมักจะลงเอยตรงที่ว่าหลวมพ่อยังไงยังไงก็ขอเลขเด็ดๆหน่อยครับนะจะลงเอยอย่างนี้อยู่เรื่อยเเราก็เลขเด็ดที่ไรเราก็เลขห้าทุกทีนะถ้าคุยกับโยมเขาเลขเด็ดก็คือเลขห้าเป็นประจําอะ เลขหก็คือศีลห้านะก็พูดศีลห้าให้ฟังอยู่เรื่อยเลขห้าเลขเด็ดเพราะว่าไปข้างนอกไปพูดเลข8หรือว่าศีลแปดเนี่ยมันมันยากเกินไปนั้นบางทีก็คุยกับชาวไร่ชาวนาคุยกับพวกพ่อค้าอะไรตา่างๆนะก็มักจะพูดแค่ศีลห้าก็พอแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการละอใบายามุกเนี่ยส่วนใหญ่จะติดนี่นแหละขอหวยเนะี่ยเยอะที่สุดเลยอันดับหนึ่ง แล้วก็มักจะเชื่อว่าถ้าพระให้หวยเนี่ยเขาเชื่อว่าโอกาสถูกมากใช่ไหมเชื่อว่าจะแม่นเชื่อว่าอะไรอ่ะไม่โกหกเขาอ่ะไม่หลอกเขาเพราะอันนี้มันมั น, ม, นมันฝังจิตฝังใจมาเนี่ยมากที่อามานี่มาพูดให้ฟังนี่คือคือยกตัวอย่างเท่านั้นให้เห็นถึงว่าความเชื่อในเรื่องพวกนี้โอ้โหยังหัวปักหัวปา ม, มากในหมู่คนในเมืองไทย โดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงส่วนอื่นก็คือพูดถึงชาวพุทธนี่แหละวันพอเวลาที่เรามีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาแทนที่จะมาพึ่งพระพึ่งธรรมะนะพึ่งาศาสนาที่ถูกต้องที่แท้จริงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมามักจะไปพึ่งทางบางทีศิยศาสตร์นะทาง เ, าเขาเรียกเดรัจฉานวิชาหรือว่าทางเนี่ย อะไรอ่ะทํานายทายทักทั้งหมอดูทางอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอย่างนี้เยอะมากบางทีเนี่ยตะเวนตะเว น, เวนไปตามวัดต่างๆหมายถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยววนันนี้วันหยุดแล้วนะอาทิตย์นี้ไปวัดโน้นวัดนี้ดีไหมไปทําไมอ่ะไปไหว้เสร็จแล้วก็ขอ <c oughs> <c oughs> คื อ, ค, อคือเชื่อ ว, ว่าวัดที่นั่นมีพระพุทธรูปหรือว่ามีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์บรูรล่ะจะมีของอะไรก็แล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์ ก็คิดว่าพอไปไหว้นะเส้นบูชาอะไรแล้วขอขอแล้วก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะงมงายหรือว่าจะเชื่ออย่างนี้มากนะซึ่งอันเนี้ยทำให้ธรรมาเองก็ยังนึกก็ก็เห็นใจเหมือนกันนะว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมาจริงๆเพราะคนที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจาศาสนาพุทธแท้แท้เนี่ยมันน้อย ยิ่งทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่โอกาสที่คนจะเข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วนะนะยิ่งมีหน้าที่มีการงานนะก็พอวันหยุดก็ไปเที่ยวเตยไปทําอะไรอย่างที่ตัวเองอยากจะทําเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาวัดนี่น้อยมากแล้วตอนนี้พอมาวัดแล้วล่ะจะเจอวัดที่มีการเทศมีการแสดงทำหนะ้าที่เป็นพุทธที่แท้ๆเนี่ยก็น้อยลงไปอีก เพราะฉะนั้นบางทีนี่ไปเข้าวัดถ้าสมมุติว่าไปเจอพระที่ท่านอะไรอ่ะไม่ศึกษาให้ดีพอคือคือก็ก็เชื่อกันไปทำท ำ, ทำตามกันไปโดยที่อาจจะไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรืออาจจะไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนบางทีก็ทําไปเหมือนอะไรเหมือนชาวบ้านนั่นแหละยิ่งชาวบ้านชอบอะไรก็ก็หาทางออกให้ชาวบ้านแบบแบบโรคโรค ซึ่งมันมันก็ผิดผิดกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็แก่อะไรไม่ได้นะซึ่งถึงบอกว่าเออนี่ขนาดบางทีมาวัดแล้วนะโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะที่เป็นสัจธรรมจริงๆก็ยังยากเลยมันจํานวนก็น้อยลงไปอีกทำให้อัตมาเองเนี่ยนึกถึงนึกถึงตัวเองนะว่าสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังไม่ได้มาบวช จำได้ขนาดมาเองเนี่ยยังเป็นคารวะ อ, อยู่ประมาณสักชั้นมัธยมเองเนะขนาดอยู่แค่ชั้นมัธยมเนี่ยก็มีโยมพี่เนี่ยเขาก็ชอบพวกเนี้นะพวกอะไรอเหรียญหลวงพ่ อ, เ, อเขาเรียกอะไรจะเรียกวัตถุมงคลจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะมีเหรียญหลวงพ่อมีพระพุทธรูปมีอะไรต่ออะไรอ้เยอะเลย โอ้โหเขาเรียกอะไรเล่นพระใช่ไหมเขาเรียกพวก เ, เล่นพะเยอะเลยแต่มาจริงๆก็ไม่ค่อยจะไปสนใจมากอนะแต่มันก็อดไม่ได้อ่ะเพราะบางทีหขาเขาก็มาพูดเขาก็มาเล่าแหมความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอย่างงั้นอย่างงี้โอ้โหเราฟังเราก็หูกระพึงตากรโตเนี่ยเราได้ฟังงนั้นบ่อยๆก็ยังเออสนใจขึ้นเรื่อยๆสนใจขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอาก็ขอมาเพราะว่าเขาก็มีเยอะ แล้วก็ขอบอกเอาเราไม่เราไม่อยากเอาเยอะเราขอชนิดเรียกว่าเจ๋งๆนะนะทีะะะ่เรียกว่ายอดๆหน่อยถ้าจะเป็นสมมุติเป็นสมเด็จก็ต้องเอาสมเด็จชั้นยอดนะอ่านะจะเป็นสมัยก่อนเนะี่ยอาตมาก็เลยมีมีห้อยคออยู่พวงหนึ่ง <c oughs> นะอย่างน้อยๆก็สี่ห้าองค์นะมีห้อยจะมีห้อย อ, อะไรอนะ่ะพระสมเด็จ ใช่ไหมพระสมเด็จวัลรลคังอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีพระที่ต้องคือต้องจัดไปสซส์คืออาตมาเองไม่อยากห้อยเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น อ, องค์นี้พระเมตตาองค์นี้พระรอดนะองค์นีนน้พระที่เรียกว่าต้องกล้าหารต้องเข้มแข็งพระยอดธงอะไรเงี้นะเรียกว่าต้องกล้าหารคืออย่างเงี้ยจะมีห้อยอยู่หลายๆหลายหลองค์แล้วพอเวลา หอยเนี่ยเอาละครนี้เรื่องว่าบางทีก็ต้องอะไรบูชาก็มีอีกนะมีพระมาบูชาไว้ต่างหากอีกอาจจะเป็นพูทรลูกเล็กเนี่ยเราตั้งไว้ที่หิ้งบูชาเพราะนั้นสมัยนั้นก็เลยกลายเป็นเชื่อถือเพราะฉนั้นไม่วายก็ต้องมันคราวนี้พอเชื่อถือเราก็ต้องอบูชาใช่ไหมมันไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนอะไรต้องคอยมา จุดธูปมาปากมาสวดมนต์ไหว้พระซึ่งมันก็มีส่วนดีแต่ไอ้ส่วนที่เรางมงายมันก็มีมันก็มันก็เชื่อว่านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะแต่ก่อนนี้ที่เชื่อมากเลยก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆคือศรัทธาหลวงปู่ทวดมากเลยเพราะว่าประวัติเนี่ยนะตามประวัติเนี่ยอะไรอ่ะท่านเหยียบน้ําทะเลจืดเลยอะ่ะ น้ำทะเลเค็มๆนี่เหยียบน้ําทะเลจืดเลยโอ้เพราะนั้นเนี่ยจะมีอะไมาตั้งไว้แล้วก็บูชาเสร็จอนนี้เขาก็มีคาถาของหลวงปุทธทวดก็อ่าแล้วต้องท่องให้ได้ด้วยท่องแล้วก็พอเวลาเราไปเคารพ บ, บูชาจุดทูกจุดเทียนอะไรพวกนี้นะเอาพวงมาลัยมาวางเราก็ท่องคาถาด้วยเสร็จแล้วเวลาจะออกจากบ้านเอาละ นั่งไห้หน่อยสวดมนต์แล้วก็รูปหัวตามตำเนียมของผู้เชื่อถืออย่างนี้นะอา้าวคือรูปหัวนี่มันจะว่าไเสร็จใช่ไหมไอ้ท่านคุ้มครองเราจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็เชื่ออยู่อย่างเงี้ยปไจมามาเนมันกลายเป็นเกือบทุกอย่างในชีวิตเราคือเราไปปักไ้กับไอ้นี่แล้วเนี่ยคราวนี้แม้แต่บอกแล้ว น, นี่นี่แค่อยู่ชั้นมัธยมนะเวลาจะสอบเนี่ยก็เอาละ ก็ต้องมาจุดธูปเจียนนะ mm. ขอให้สอบผ่านนะครับขอให้สอบดีๆนะครับ <c oughs> ขอท่านนะขออยู่เรื่อยอะจะไปทำอะไรอะเกิดสมมติว่าจะไปทำงานอะไรให้มันสำเร็จเอาแล้วก็ต้องมาขออย่างเงีนะ้ยนก็ขอให้สาเร็จขอให้อะไรหรือบางคราวเอาวันสำคัญอ่วันสำคัญทางศาสนาหรือว่าวันพระอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยเอาเลย คือวันสำคัญทางศาสนาอย่างเช่นวิสาขามาฆาอะไรพวกเนี้นะเขาส่วนใหญ่เขาจะไปวัดใช่ไหมแล้วเขาก็ไปอะไรอะ่ะเดินเบียนเทียนบูชาเดินรอบโบสถ์อ่ะอ้นี้อาตมาเองก็ไม่ไปคนมันเยอะคนมันแน่นเคยไปแล้วแล้ววันโ อ, โอ้ยุ่งยากลําบากคนก็เยอะพอวันสําคัญนี้ไม่อื่นไกหลหรอกอยู่ในห้องปิดห้องเลยเอาโต๊ะมาตั้งไว้ตรงกลางห้องโต๊ะเล็กๆ เอาผ้าบูชานี่มาตั้งเอาเอาพวงมาลัยมาเอาทูบมาปักเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์เดินรอบ <c oughs> เดินลอบสามรอบโอ้ย oh, <c oughs> ดูความเชื่อคุณเอ้ยเออแต่ว่ามันเป็นจิตวิทยานะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออใจเราก็ดีเหมือนกันนะใจมันก็สบายแต่มันก็เป็นมิกฉาทิฏฐิคือเป็นความหลงผิดที่เราคิดว่า ชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะไปทําอะไรเราจะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้สิ่งเนี้ยจะช่วยเราคือไม่ใช่เราพึ่งตนเองคือไม่ใช่หลักการของาศาสนาพูดจริงๆที่ว่าเราพึ่งตนเองนะหรือว่าพึ่งกรรมพึ่งการกระทําของเรานะอันนี้เป็นหลักการของาศาสนาพูดแต่เราเริ่มที่จะไปเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเป็นผู้ดนบันดาล เป็นผู้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าจะมีสุขได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามันก็ฝังมาเรื่อยฝังมาเรื่อยเลยแล้วก็ทํามันก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยเลยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยพอมาออศึกษาธรรมะนะได้มาฟังเทศฟันธรรมจาก ส, สมณะชาวโศส มันยังจําได้เลยพอพูดถึงเรื่องสมณะชาวโศกแล้วเคยเลยครั้งแรกๆเลยที่ได้รู้จักกับสมณะชาวโศกเนี่ยสมัยก่อนเรียกว่าพระอนะพระชาวโศกปรากฏว่าถามอะไรอย่างแรกเลยรู้ไหมถามาพระชาวโศกเนี่ยเขียนเขียนกระดาษไปส่งส่งไปให้ท่านให้ท่านช่วยตอบมาเขียนส่งไปเนี่ยว่าเนี่ย ไอเรื่องเนี่ยอิทธิฤทธิ์ไอเรื่องเวทมนต์เรื่องไอความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ยนะบอกช่วยสอนให้ผมได้ไหม <c oughs> <c oughs> ขอเลยนะขอให้ท่านช่วยสอนได้เ <c oughs> ออแล้วนะก็ปากฏว่าก็เรารู้อยู่แล้วนะสมณะชาวโสก็ไม่สามารถถ้าพนธุ์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอท่านก็ตีก็นําก็ไม่ให้ไปยึดถือสิ่งเหล่านี้นะให้เชื่อมั่น อัตตาหิอัตโนนาโถนาตนเป็นที่พึ่งของตนนาตามที่พระเจ้าท่านสอนเอาไว้เพราะนั้นท่านก็นั่นกลับมาเลยท่านก็บอกให้นี่แหะให้ถือศีลให้อะไรต่ออะไรเสร็จแล้วยังไม่แคล้วนะปรากฏว่าเนี่ยบีอดีของพระสง์เนี่ยซึ่งท่านก็จริงๆอัตมาว่าท่านเจตนาดีแหละ แต่อัตมาคิดไม่ดีเองนะตอนนั้นนะตอนนั้นยังไม่ปฏิบัติธรรมอะไรเลยคือปรากฏว่ า, าท่านท่านเล่นเรื่องพวกเนี้ยที่อโศกเราเราเรียกว่าเล่นลิเกคำว่าลิเกนี่หมายถึงเรื่องไอ้พวกของศักดิ์เรื่องเรื่องพลังจิตอะไรพวกนี้ในด้านนี้ก็ปรากฏว่าท่านเนี่ยดูดูหมออดีต ท, ท่านท่านเคยดูหมอมาได้ด้วย เ็จแล้ะอาตมาก็เลยเอาให้เขียนชื่อไปให้ท่านไงเขียนชื่อตัวเองอะไรต่ออะไรส่งไปให้ท่านเอาให้ท่านดูให้ที่ว่าเราเป็นยังไงบ้างก็ะปากดว่าท่านก็ดูมาเสร็จนะท่านก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้คือพูดเราไม่มีดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็มี ม, ม, มีมีชมบ้าง น, ะนิดหน่อยแต่อัที่ว่าเรามาโอ้นี่นะว่าเอาสมมุติว่าเราเนี่ยสภาพ มีชีวิตควาเป็นอยู่ที่ดีที่อะไรนะแต่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างนะอ้าวว่าเรามาโอ้โหคือจริงๆท่านเจตนาที่จะให้เราเนี่ยไปในทางที่ดีแหละนะแต่จริงๆเนี่ยไอายการดูหมอหรือดูอะไรทํานอง น, นี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ไม่ถูกแต่ธรรมาคิดว่าก็คงพอเข้าใจเจตนาท่านอยู่ว่าท่านก็คงจะอาศัยเป็นสื่อแล้วก็เหมือนกับว่า ถือว่าสนิทท่านก็เลยอะไรอ่ะก็เลยพูดเป็นธรรมะมาให้ก็เหมือนกับพยากรณ์มาให้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะคือสอนเราอ่ะคนเราเนี่ยนะมันมีกิเลสอยู่เนี่ยพอเวลาคนอื่นเขาตักเตือนหรือก็ว่าเ้าสอนเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนโดนว่าเหมือนโดนว่าเพวันนี้เกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจอาตมาก็เลยตั้งใจตั้งแต่นั้นมาเหมือนกัน ว่าเออ น, นี่ยเนี่ตมาจะให้ท่านปิดศีลเนี่ยเพราะว่าท่านบอกว่าเราเป็นอย่างยี้ยใช่ไหมเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราเก่งทั้งโลกนะทางธรรมนี่ยังใช้ไม่ได้ก็รู้สึกโอ้อัตามาณะขึ้นมากเลยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยพยายามจะถือศีลขึ้นมาให้ได้ถือศีลเพื่อที่จะแบบว่า เอาชนะคําของท่านเพราะว่าถ้าเราถือศีลขึ้นมาได้แสดงว่าเอา้าทางธรรมเราก็มีอ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีอย่างที่ท่านบอกซึ่งถ้าเรามีธรรมะขึ้นมาจริงก็ต้องแสดงว่าอันนี้ความคิดของตัวเองตอนนั้นนะก็แสดงว่าท่านจะผิดศีลข้อสี่ท่านโกหกแค่เนี้เอาเอาเอาชนะท่านแค่ตรงเนี้ยทั้งๆที่จริงๆตอนที่ท่าน บอกเรามา ม, มันก็ถูกแล้วก็จริงอะตอนนั้นเรายังไม่คิดจะมาถือศีลหรือจะมาปฏิบัติใช่มท่านว่ามาถูกแล้วแต่เนี่ยให้เห็นถึงกิเลสของคนและใจที่มันไม่ยอมเพียงแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าการที่จะเอาชนะท่านนั้นนะเราใช้การมาถือศีลใช่ไหมใช้การมาปฏิบัติทร ม, มันโชคดีตรงเนี้ยที่ทาให้เราเอาชนะท่านได้ก็แสดงว่าเราก็ต้องถือศีลให้ได้ ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเราก็ยังเออ ไ, ได้ได้เรียนรู้ธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างเพราะอันนี้มันก็ช่วยช่วยแก้ช่วยแก้ไอ้นิสัยที่ไม่ดีของเราไปได้แต่หลังๆก็ยังนึก อ, อะไรอะนึกเคารพนั น, นึกถึงท่านว่าเออท่านก็ช่วยตรงนี้ให้กับเรานะทำให้เราเองเราก็หันมาในทางที่มัถือสีมาปฏิบัติธรรมได้ แต่ขนาดอย่างนี้นะรู้ละอาตมาเองนีง่ยังยังติดนิสัยอยู่ไม่น้อยเลยไม่รู้สิถึงบอกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้มันยังเอ๊ะทาไมมันมีเชื่ออยู่หรือเปล่ามันยังฝังหัวนะมันมีความชอบอยู่ลึกๆมันยังมีใจเชื่อเชื่ออยู่พอปฏิบัติธรรมเขาเนี้พอเริ่มมีสัมมาทิฏิขึ้นมาเริ่มปฏิบัติธรรมก็ยังพยายามสลายไ อ, อ้ที่เราไปฝังพวกเนี้ อันนี้พระเพอที่มีที่ห้อยคอนะเอาเลยใครอยากได้ก็ให้เข้าไปให้เข้าไปคือเลิกแล้วคราวนี้เราจะไปไหนจะทำอะไรพึ่งกรรมของตัวเราเองอพึ่งความสามารถของตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งเหรียเหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่อะไรแล้วโอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคือคือคนที่ไม่มีความเชื่อเนี่ยก็ง่ายอะแต่คนที่มีความเชื่อนี่ไม่ง่ายเลย เพราะว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงยังไงมันเหมือนว้าเวอมันไม่มีผู้ช่วยเหลือนะ ม, น ม, มันไม่มีผู้ช่วยเหลือโอ้โหมันต้องทำใจนะที่จะบอกเอ้ยตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยภาษาเนี่ยพูดง่ายแต่ความเป็นจริงเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยคุณทำได้จริงไหมเพราะว่ามันอดไม่ได้เพราะบอกแล้วว่ามันมีความอบอุ่นนะในทางจิตวิทยา มีความสบายใจนะถ้าเรารู้สึกเอาละต่อให้ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรอยู่ก็แล้วกันจะเป็นพระเจ้าหรือจะเป็นเซียนจะเป็นเทวดาจะเป็นเทพองค์ไหนนะหรือจะเป็นเนี่ยหลวงพ่ออะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรารู้สึกว่าเอท่านคอยเฝ้าดูเราอยู่แล้วคอยช่วยเราทางกิตวิทยาเรารู้สึกว่าอ่าแม้มันมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมานะที่จะอะไรอ่ะสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานหรือว่าสู้กับ อุปสรรคปัญหาอะไรยังตา่างมันมีความรู้สึกว่าเรามีผู้คอยช่วยเหลือเนี่ยนุนเราอยูออ่มันก็มีพลังดีอะแต่พอคราวนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าสู่กระแสพุทธที่มันถูกมันชัดมากๆขึ้นพยายามตัดพวกนี้ออกเนี่ยตัดพวกนี้ออกโอ้มันว้าเวเนะพราะมันเหลือตัวเราคนเดียวที่เราจะต้องสู้กับอุปสรรคปัญหานั้นตรงๆเลยแล้วก็จริงๆนะกรรมเป็นที่พึ่งของตน นะเราเป็นทายาทของกรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาเท่านั้นเนี่ยนะกรรมมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนนะซึ่งผู้เจ้าเนี่ย จ, จะสอนเลยนะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พื้นของตนนะกรรมเนี่ยเราเป็นทายาทของกรรมนั้นๆโอ้ไม่ง่ายเลยนะพอปฏิบัติจริงๆใหม่ๆเนี่ยพอมไม่ใส่ อะไรห้อยคอแล้วไม่ไม่ต้องไปมีอะไรที่เราคิดว่าจะต้องสักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือเราเนี่ยไปที่ไหนบางทีมันวบวบับวับวาบนะยิ่งเวลาเอ๊ะมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกมันเอ๊ะเดี๋ยวจะสวยหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรจะ่าคุ้มครองมันไม่มีอะไรมาช่วยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแบบว่าผู้ช่วยของเราคือบุญใช่ไหมคือความดีคือสิ่งที่เราทําเป็นบุญบา ร, รมีสะสมเอาไว้เนี่ยที่จะช่วยเรา ไม่ใช่อย่างอื่นและไม่ใช่สิ่งอื่นแล้วโอ้โหต้องทําใจมากเลยเพียงแค่บางทีเนี่ยเราจะให้ประเภทเนี่ยเครื่องรังของขลังอะไรพวกเนี้ยที่ที่เรารู้สึกโอ้โหนี่ชั้นยอดแล้วนะอันนี้ชั้นยอดแล้วนะโอ้โหถ้าภาษาทั่วไปเขาเอาไปเช่ากันเนี่ยหรือพูดง่ายๆไปซื้อขายอ่นแหละโอ้โหเป็นหมืนม่นๆหรือว่าเป็นราคาดีเลยอะ่ะพูดง่ายๆโอ้บางทีแค่เนี่ยจะสละออกยังไม่ง่ายเลย แต่บอกแล้วพอเราศึกษาธรรมะเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นเออมันมันก็ค่อยๆตัดออกไปได้ตัดออกไปได้นะคราวนี้ อ, อพระพุทธรูปบ้างหรือว่านั่นแหละรูปหลวงปู่ทวดรูปอะไรที่มีบ้างคราวนี้ก็เอาก็ยังมีอยู่เพราะว่าถ้าไม่ไม่มีใครมาขอก็ก็ยังไม่จะให้อะไรใครไปแต่คราวนี้ไม่ได้ต้องไปจุดธูปต้องไปเอาซื้อพวงมาลัยมาถวายอะไรไม่ต้องลนะ พอเราเข้าใจแล้วเนี่เราเริ่มเข้าใจว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่จะให้เราเระลึกถึงนะคุณงามความดีของพระพุทธรูปเนี่ยก็คุณงามความดีของอพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านอบรมสั่งสอนอะไรเราบ้างอันนี้คือเป้าเลยนะพระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องของการปฏิบัติบูบชาไม่ใช่อามิตบูชาไม่ใช่มาอะไรใช้ดอกไม้ทูบเทียนแช่อะไรบูชามันพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยก็พยายาม อันนี้ถ้าเอาบางทีนี่ก็ยังมีอยู่บางทีเราก็กราบไหว้เราก็ยังเคารพแต่ <c oughs> เรากล่าบไหว้เคารพโดยที่เราชัดเจนตัวเองนี่มากขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้จะไปไหนจะไปอะไรเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ่าเราลึกถึงถึงผู้ที่เราเคารพอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ราลึกถึงเพราะว่าท่านจะมาช่วยเราได้เพราะว่าช่วยไม่ได้อยู่แล้ว อย่างเช่นราลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะมีตัวตนมาช่วยเราได้แล้วไม่ช่วยเราไม่ได้เอาเราเลืกถึงใครก็ได้เราเลือกถึงครูบาอาจารย์ราลึกถึงเพื่อนก็ได้เอาเพื่อนที่เราโหรากมากสนิทมากก็ช่วยเราได้ไหมช่วยเราไม่ได้เพราะว่าอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละแห่งยิ่งอยู่ห่างไกลก็ยิงย่ง stage, ช่วยเราไม่ได้อยู่แล้วแต่การเราลึกถึงนี้เราลึกเพื่ออะไรเพื่อทําให้เรามีพลังใจหรือมีจิตใจยิ่งเรานึกในทางที่ถูกต้อง เราเราเรียนรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงของชีวิตเราเข้าใจว่าเออระลึกแล้วเนี่ยเพื่อที่จะโอ้โหนี่ท่านมีความอดทนนะท่านมีการปฏิบัตินะที่ดีอย่างนี้ท่านสอนมาอย่างนี้เราน่าจะเอาอย่างนะแล้วกรรมเป็นของของตนอย่างนี้เราพึ่งบุญบารมีของเราได้เนี่ยพอเราระลึกถึงอย่างนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เราเนี่ยเออค่อยๆมีพลังมีความเชื่อมั่น ในชีวิตของเราเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วคราวนี้พอจะทํางานหรือจะออกไปไหนโอ้ไม่ต้องเหมือนก่อนแล้วไม่ต้องขอโนนขอนี่คือเราไปทําเลยไปทําแล้วเราก็พึ่งเนี่ยสมรรถภาพพึ่งความสามารถของเร า, เ, าเราจะคิดยังไงเราจะพูดยังไงเราจะาทํางานยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยอะไรอะได้ ถ้าเป็นพ่อค้าก็าได้ค้าขายนะมีความขยันยังไงแล้วก็จะทำให้การค้าขายนี่มันดีขึ้นหรือถ้าเป็นข้าราชการาเราทำงานอย่างดีอย่างสุจริตอย่างซื่อสัตย์อย่างนี้ก็จะทำให้เราได้ดียังไงบ้างคือเอาตามผลงานเอาตามความเป็นจริงของตัวเราปฏิบัติเลยสิ่งที่แตกต่างเขานี้คือมันทำให้โอ้เบาภาระขึ้นเยอะเลยนะหม่ใชแต่ก่อนเนี่ย ตอนนอนก็จริงก็สวดมนต์ไหว้พระแต่สวดมนต์ไหว้พระเพื่อขอขอให้คุ้มครองเราขอให้ครอบครัวเราเป็นสุขนะแต่ทุกวันนี้อถ้าจะกราบพระพอ น, นอนแล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่นะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนก็ตามแต่มันต่างกันตรงพอเราลึกถึงแล้วเนี่ยเราลึกถึงเพื่อที่เราจะทําดีให้ได้อย่างที่ ผู้นั้นผู้นั้นหรืออย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะ่ะมีประวัติหรือว่ามีความเป็นมาที่ดียังไง